ทีนี้เมื่อมีการพิจนารณาว่าเวทนาจากไม่มีแล้วมีขึ้นก่อนก่อนนี้ไม่ได้คิดอย่างไม่ได้มีความรู้สึกอย่างนี้มามีความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นเพราะปัจจัยอย่างที่ว่าไปพอเวทนาอันนี้เกิดขึ้นเป็นปัจจัยให้เกิดอย่างนี้ขึ้นต่อไปถามว่าเวทนานี้ดีไหมเฉพาะตัวมันเนี่ยมันดีไหมไม่ดีเพ้นเวทนาเนี่ยมันจึงเหมือนกับเหมือนอะไรอุปมาเหมือนอะไรอยูกก่บ้กครับเป็นเหมือนฝีนะ เอาเอาฝีเลยเนาะแต่มันทําเพื่อเวทนานว่าฝีไงก็บอกว่าเป็นฝีสําหรับคนมียาตีรณะปริญญาตอนฝีเริ่มเป็นมันคันๆเนะมันเก่าแล้วมันดีมันสนุกดีนะพันเนี่ยนะนั่นแหละนี่ท่านเห็นว่าแค่เวทนาอย่างเดียวเนี่ยนะนะท่านไม่เคยได้ยินมาก่อนรับรองได้เลยว่าโอ้โหมีเรื่องเยอะจริงๆเหรอแค่เวทนาอย่างเดียวเนี่โอ้โหมีใครจะมาวิเคราะห์วิจัย มากมายขนาดนี้สิ่งเหล่านี้ใครวิเคราะห์ครับไม่ท่านธ่นอาจารย์ทุมบัตรนะไม่ใช่นะพระภูมิภาคนะท่านวิเคราะห์มาให้เรานะฮะเพราะฉะนั้นสิงเหล่านี้นี่นะครับเรารู้ตามได้ใช่ไหมครับเจนพานเพราะว่าเราถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเพราะพระพุทธเจ้ารู้อริยสัจสี่เราขอรู้อริยสัจตามท่านใช่ไหมพระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องเวทนาขันธ เวทนาเป็นขันเรียกว่าเวทนาขันเวทนาเป็นอายตนะเรียกว่าธรรมายตนะเวทนาเป็นท่าเรียกว่าเป็นธรรมธาตุเวทนาโดยสัจจะเป็นทุกขสัจถ้าทุกขสัจต้องกิจของเขาคือปริญญาสามนั้นการพิจารณาในลักษณะเมื่อกี้เป็นยาตะปริญญาแต่ถ้าหากว่าพิจารณาบอกว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังโรคซ้อนเป็นความลําบาก าการพิจารณาลักษณะ น, นี้เป็นตีรณปริญญาเมื่อพิจารณาอย่างนี้มากๆเข้าก็จะตามเห็นเวทนาโดยความเป็นของไม่เที่ยงจะละความสําคัญว่าเที่ยงได้เป็นปหานะปริญญ า, า, ญญาเมื่อตามเห็นเวทนาโดยความเป็นทุกขก็ละสุขวิปลาดได้อันนี้ก็เป็นปหานปริญญาเมื่อตามเห็นเวทนาโดยความเป็นอนัตตาเพราะไม่มีแก่นสารอยู่ในนั้นเลย อันนี้เป็นอนัตตานุปัสนาละละอัตวิปลาดได้นั่นแหละเมื่อตามเห็นเพื่อความเบื่อหน่ายก็จะละนันทีได้ละความเพลิดเพลินได้ถ้าเห็นความดับก็จะละสมุทัยคือความเกิดได้ถ้าเห็นความสละคืนก็จะละละอะไรเพื่อสละคืนเนี่ยก็ละความยึดถือได้นั่นแหละโอ้ทั้งหมดนี่นะฮะจะเห็นว่าที่คณกะปริภาชกนะฮะก็ดีนะครับ ภาษารีบุตรก็ดีเนี่ยทั้งหมดนี้เนี่ยเกิดขึ้นแวบเดียวแต่เรามาวิจัยนานเพราะว่าเราไม่ชินไม่เรามีความรู้เพิ่งมารู้เนี่ยแต่ผู้ที่บรรลุมรรคผลเนี่ยท่านต้องรู้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นพื้นอยู่แล้วพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่สัพพันอยู่รู้สรรพสิ่งพระองค์นั้นก็เป็นเหมือนกับหมอที่ค่อนมีความสามารถสูงมากรู้ว่ายาอะไรเป็นขนานสุดท้ายที่จะให้กินแล้วหายเลย และอีกส่วนหนึ่งพระองค์รู้ด้วยว่าใครสะสมอะไรมาเพราะว่าการเจริญกุศลธรรมการบำเพ็ญกุศลในพระพุทธศาสนาไม่ได้พูดแค่ชาติเดียวถ้าเราไปอ่านในคัมภีร์อัปท า, านคัมภีรเทระกถาคัมภีรเทรีกกะถาประวัติของพระสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนของโบราณกาลมาแล้วจะรู้ว่าคนเหล่านั้นสั่งสมบุญมาทั้งนั้นนะเป็นคนที่มีบุญ เขาสะสมบุญมาแล้แลวเหมือนพวกเรากําลังสะสมอยู่ขนาดนี yep. um ้แหละเขาจึงได้บรรลุเลยก็ถ้าเราสะสมมาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นวันแรกๆเลยนะถ้ามาพูดเวทนาลักษณะนี้ถามว่าเราเข้าใจขนาดนี้ไหมไม่เข้าใจไม่ขนาดนี้ถ้าคนมาใหม่เลยเพว่อมาใหม่เลยสดร้อนๆเลยถามว่าฟังเข้าใจขนาดไหนไม่คาว่าปริญญาเนี่ก็ชักยุ่งแล้วนะเอ๊ะมันหยาตะมันเป็นยังไงหยาตะนี่จะต้องมาคุดบางคนเนี่ย ใหม่ๆคุณลุงนี่เอาหนังสือมาเปิดเลยนะจะได้ตามสับทันไหมลูไหมลูกท่านพูดอะไรของท่านว่าตอนนี้ไม่เอาสับมานะมั้งอะไอนี่เป็นการเป็นกิจการงานทางใจนะครับการเจริญศัสนาเป็นกิจการงานทางใจการทําการงานทางใจนี่เป็นการวิเคราะห์ครับจึงชื่อว่าปัญญาธรรมวิจยะเป็นธรรมวิจยะเป็นการวิจัยธรรมะเนี่ยวิจัยจนละเอียดยุบเลยเนี่ยครับ จนเห็นคุณเห็นโทษจนกระทั่งสละละวางได้นี่แหละครับเป็นธรรมวิทยาเป็นชื่อของปัญญาครับดังนั้นในเรื่องของการเจริญเวทนาหรือว่าศึกษาเวทนาให้เข้าใจนั้นเป็นเรื่องที่ที่สำคัญมากเลยนะเป็นหนึ่งในสติปัฏฐาน4นะสติปัฏฐานก็คือกายานุปัสนาเวทานานุปัสนาจิตานุปัสนาและก็ธรรมานุปัสนา ถ้าหากว่าผู้ที่ศึกษาเรื่องเวทนานุปัสนาบอกเมื่อกี้เนี่ยเอาแค่สาใช่ไหมสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบขาเวทนาทีนี้วิเคราะห์ต่อไปอีกว่าสุขเวทนามีอยู่อีกสองอย่างเอาสุขใหม่สุขเวทนามีอมิตรกับสุขเวทนาไม่มีอมิตรนะสุขเวทนาที่เกิดขึ้นอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสโพธะเกิดขึ้นสุขเวทนาเหล่านี้ถือว่าเป็นสุขเวทนาที่มีอมิตรเป็นเคหะสิตะ โสมนัตเวทนาหรือเคหะสิตะสุขเวทนาเป็นสุขเวทนาที่อาศัยเรือนคืออาศัยกามคุณห้ากับสุขเวทนาที่อาศัยเนเข ม, มะคืออาศัยสมถะและวิปัสนาอันจะมีเวทนาอีกหลายระดับถ้าคนที่เขาอบรมในเรื่องปริญญามาดีจะมีเวทนาที่ไม่อาศัยกามแต่เป็นเเวทนาที่อาศัยเนเข ม, มะนั้นพระองค์ก็กล่าว บ, บอกเมื่อ สวยสุขเวทนาที่ที่ไม่อาศัยเรือนเนี่ยก็รู้ชัดอีกนะรู้ชัดว่าเวทนานั้นก็เกิดด้วยปัจจัยเหมือนกันพิจารณาทั้งภายในไอเวทนานี้แม้แต่เวทนาที่อาศัยเรือนนะต้องพิจารณาเวทนาเป็นภายในภายในเราพิจารณาเวทนาคนอื่นด้วยเห็นสาววันเดียวทําไมเขาคิดไม่เหมือนเรานี่ครับคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยะครับท่านวิจยัยไว้เรียบร้อยแล้ว แล้วเป็นหนังสือด้วยไม่ใช่วิจัยเฉยวิจัยวิจัยแล้วมีหนงเป็นตําราให้เราไปไปวิจัยไม่ต้องวิจัยเราๆ่ะไปติดแต่ว่าตามศึกษาตามคิดตามนั้นเองเอาแค่คิดตามแล้วถ้าหากว่าเราจะคิดเรื่องเวทนาให้มันละเอียดละเอียดเลยนะเห็นสาวเอาเป็นอุเบกขาเวทนาเป็นอุเบกขาเวทนาเป็นโสมานัตหรือเป็นอุเบกขาในโสมานัตเองก็มีสองอย่างคือเป็นอาศัยอมิตรกับอาศัย เนคคำมะพิจารณาเนี่ยเป็นภายในของเราแลวคนอื่นเนี่ยเห็นยังไงเขาคิดยังไงเป็นภายนอกแล้วพิจารณาของเราตามการพิจารณาของคนอื่นทั้งตามการภายในทั้งภายนอกพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นของเวทนาทำไมเวทนานี้จึงเกิดขึ้นของคราวกับทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปของเวทนาอันหนึ่งสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่าเวทนามีอยู่ สักว่าเป็นที่อาศัยรู้สักว่าเป็นที่อาศัยระลึกแต่ว่ารู้อย่างดีเลยนะรู้อย่างดีแล้วค่อยสักว่าอีกครั้งเนึ่งเทมุนนี้ท่านคุณจะเก็บเอาไว้นะอันเนี้ยไปดูว่าเออการเจริญพิปัญญานี่นะเขาทํำยังไงกันเขาวิเคราะห์เขาวิจัยยังไงกันบ้างนะเทปอันนี้เรื่องวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากเลยนะครับนี่นี่เป็นแนวทางของพระปูณิยภาคนะเป็นแนวทางตามคัมภี์ตามพระไตรปิฎกไม่ใช่ แนวทางของพระสมบัติไม่ใช่แนวทางของใครทั้งสิน้นถ้าเห็นว่าพัฒะพิดกเชื่อถือได้ท่านก็เอาเป็นสลาณะได้นะครับนี่ฟังพระสูตรใดที่อีกสูตรหนึ่งต่อจากเมื่อคือนนะทุติยะชิกขละสูตรว่าด้วยการได้ความเป็นมนุษย์เนี่ยแสน ย, ออยากคือยังไงยังไงเพื่อที่จะเตือนว่า พวกเราที่ได้มาเป็นมนุษย์เนี่ยมายากนะคือที่เพื่อที่เรียกว่ามายากเพราะอะไรบอกจะได้มาอีกครั้งก็ายากเหมือนกันนั่นแหละก็ครูให้รู้ว่าไอ้ที่มาเนี่ยมาไม่ได้มาด้วยบุญน้อยๆนะไม่ใช่บุญธรรมดาเนี่ยจะทําให้เกิดเป็นมนุษย์อะ่ะทีนี้ปัญหาว่าไอ้รักษาบุญอันนี้ได้ไหมคือถ้าได้แล้วก็กุศลอะไรที่เป็นไปเพื่อความเป็นมนุษย์คืนอีกต่อไปพูดอย่างนี้ไม่ได้ให้ร้อนนะเพียงแต่ว่าให้ทําความเข้าใจเอาไว ดูการพิสูนทั้งหลายเปรียบเหมือนมหาปตพีนี้มีน้ำเป็นอันเดียวกันแปลว่าน้ำท่วมแผ่นดินหมดเลยท่วมทั้งโลกเลยอะ่ะบุรุษโยนแอกซึ่งมีช่องเดียวลงในมหาปตพีนั้นลมทิศบุรพาพาเอาแอกนั้นไปในทางทิศประจิม น, นะลมเนี่ยพัดจากประเทศเวียดนามมาประเทศไทยอย่างเงี้ย แล้วก็ลมจากทิศประจิมพัดไปในทางทิศบูรพาลมจากพม่าหอบเอาไปประเทศญี่ปุ่นอย่างเงี้ยลมทิศอุดรพัดไปในทางทิศทักษิณโอ้โหลมเชียงใหม่พัดไปนาราธิวาสอย่างเงี้ยลมจากทิศทักษิณพัดไปทางทิศอุดรก็คือจากใต้พัดไปเหนือแต่นี้ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะเอาแบบพัดทั้งโลกเลยอะ แต่อเต่าตาบอดมีอยู่ในมหาปตพีนั้นต่อล่วงร้อยปีมันจะโผล่ขึ้นเข่าหนึ่งมันหลับนานแล้วเกินเนะเต่าตัวนี้ <c oughs> เธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นฉันไหนเต่าตาบอดนั้นต่อล่วงร้อยปีร้อยปีมันจะโผล่ขึ้นเข่าหนึ่งโผล่ขึ้นเข่าหนึ่งจะสอดคอให้เข้าไปในช่องแอกซึ่งมีช่องเดียวนู่น่ะได้บ้างหรือหนอะตายไหมไอ้น้ำแผ่นดินใหญ่เนี่ยโอ้ย ลอยอยู่นั่นแหละก็บค่ใครเคยเอาขายดักปลานะขนาดปลาในน้ำเนี่ยมันก็วิ่งไปวิ่งมาอย่างดักไม่ค่อยจะถูกมันเลยไอเต่าตาบอดตัวนี้มัโนโผล่น่ะเนอะจะโผล่มาทิง้งเมื่อไหร่จะถูกทิง้งอ่ะเนาะ ภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลว่าข้าแต่พระ อ, องค์ผู้จเจริญข้อที่เต่าตาบอดต่อร่วงร้อยปีต่อล่วงร้อยปีมันจะโผล่ขึ้นคราวนึงจะโผล่ขึ้นคราวหนึ่งจะสอดคอเข้าไปในแอกซึ่งมีช่องเดียวโน่นเนี่ยเป็นของยากพระ อ, องค์ตรัสว่าฉันนั้นภิกษุทั้งหลายการได้ความเป็นมนุษย์เป็นของยากพระตะถาคตอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าจะอุบัติในโลกเป็นของยาก ธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วจะรุ่งเรืองในโลกก็เป็นของยากไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมมันเสื่อมมันรุ่งเรืองยากอะ่ะพระองค์พระพุทธเจ้ายังว่ายากเลยอะ่ะเราจะว่าง่ายได้ยังไงอความเป็นมนุษย์นี้เขาได้แล้วเนี่ยเนี่ยพระองค์ก็สรุปมานะว่าตอนนี้เธอทั้งหลายก็ได้ความเป็นมนุษย์แล้วพระตถาคตอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติแล้วในโลก และพระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วก็รุ่งเรืองอยู่ในโลกดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงกระทาความเพียรเพื่อให้รู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกเวทนามเมื่อกีเก้เป็นทุกข์สัตว์หรือเป็นอะไรทุกข์สัตว์และควรรู้ตามความเป็นจริงว่าเวทนาเนี่ยเป็นทุกข์ทำไมเวทนาจึงเป็นทุกข์เพราะเวทนามีชาติปิทุขานะเวทนาก็มีความเกิด เวทนานี่มีชราพิทุกขาไหมมีนะเวทนาเนี่ยก็ถ้าตามันแก่เวทนาก็แก่ไปด้วยอ่ะมันตามอินทรีย์อ่ะนะถ้าเวทนาทางตาถ้าตาแก่ไม่ใช่ตาไม่ใช่เป็นสามียายนะก็คือจักขู่ปาษาท่ามัญชรานะเวทนามันก็ชราด้วยเหมือนกันถ้าชิวหาภาษาท่ามัญชราอาหารก็ชักไม่อร่อยเหมือนกันมันชราด้วย อ, อันเวทนาก็มีชราและก็มี มรณะถ้าภาษาทะรูปดับมันก็ดับด้วยมันไม่เกิดอีกแล้วเวทนาเนี่ยทำเป็นอาทีอาศัยให้เกิดโศกได้ไหมทําให้เกิดโศกได้ไหมได้ปริเทวะได้ทุกตัวเขาเองแหะตัวทุกแหละโทมานัตได้ไหมตัวเวทนาโทมานัตก้อยตัวเวนทา น, วเวนาเองนั่นแหละอุปายาตได้เพราะเป็นเหตุให้เกิดโทสะแล้วก็พลัดพรากจากของรักของชอบใจ ประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่ชอบใจเพราะนั้นโดยย่อก็คือไอเวทนาตัวนี้จึงเป็นทุกข์ริยศัตร์นั่นแหละปัจจัยที่ทำให้เวทนาเกิดก็คือเวนตัญหาเสียแล้วเวทนาไม่มีอย่าลืมนะเวทนาเนี่ยอาศัยอะไรเกิดอาศัยภาษาทรูปเป็นต้นเกิดอะไรที่ทำให้ภาษาทรูปเหล่านั้นเกิดกรรมอวิชาตันหาทาให้เกิดถ้าอาวิชาตันหากรรมเนี่ย ไม่ทำให้ภาษาทรูปเหล่านี้เกิดอ่ะเวทนาจะเกิดได้ไหมนั่นแหละไม่ได้เพราะฉะนั้นพระองค์ยังว่านี้ทุกนะคือคือได้ยากเลยนะมนุษย์ก็เป็นแล้วพระพุทธเจ้าก็เกิดแล้วพระธรรมคำสอนก็มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องทำความเพียรพยายามพระองค์บอกว่าพึงกระทำความเพียรเพื่อรู้ตามเป็นจริงว่านี้ทุกนะมองเห็นเนี่ยเคยเห็นว่าเวทนาเนี่ยคือตัวทุกนะ นี้ทุกขสมุทัยเวทนาอตันหาเก่าเป็นปัจจัยให้เวทนาอันนี้เกิดถ้าเวทนาเกิดขึ้นตันหาใหม่เกิดขึ้นก่อพบใหม่อีกไอตันหาที่เกิดขึ้นเพราะยินดีเวทนานี่แหละก่อพบใหม่ต่อไปนี้ทุกขสมุทัยนะไม่มีเวทนาไม่มีเหตุเกิดแห่งเวทนาที่สุดอ น, นั้นเป็นนิโรดนิโรธ สัมมาทิฏฐิเป็นต้นที่มาเรียนรู้เวทนานะโดยปริญญาทั้งสามอย่างละเอียดละอละสมูทัยทำนิโรธให้แจ้งอันนั้นเรียกว่ามักคาริยศัตร์นี้นว่าทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาจบทุติยชิคละสุดที่แปอตรถกถาท่านท่านพูดดีนะท่านว่า พึงจเจริญเสียแต่วันนี้ แ, แหละนี่แหละครับเรื่องเวทนาเนี่ยใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งการผัดกับมัตจุราชผู้มีเส้น้ำใหญ่ย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายไม่มีโอกาสแก้ตัวนะถ้าถ้าไปที่อื่นนะเนี่ยไปพบอื่นเนี่ยไม่มีโอกาสแก้ตัวบางคนบอกฉันจะไปเกิดที่พบสูงสูงอะ่ะก็ถามเอาดูบุญเอากันแล้วกันว่าจะได้ไปเกิดเหมือนที่คิดไหมไอคิดไม่ยากแต่ว่า บุญที่จะทําให้เกิดในในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยยากพระองค์กล่าวเลยนะว่าการที่ว่าสัตว์เนี่ยจากมนุษย์ไปสู่เทวโลกเนี่ยยากเอามนุษย์มาเป็นมนุษย์คืนยากไม่ต้องกล่าวถึงเทวดาเป็นของยากอยู่แล้วตรงนี้นะพระมหาศีวะเทระได้กล่าวยุคทั้งสี่คือการได้ความเป็นมนุษย์เนี่ยชื่อว่ายากยิ่งอุปมาเหมือนการที่เต่าตาบอดนั้นอนะ สอดคอเข้าไปในช่องแอกที่บุรุษยืนอยู่ที่ขอบปากจักราวานด้านที่ตะวันออกโยนเข้าใส่สมมุติว่าแอกปากจักราวานด้านที่ตะวันออกที่ไกลมากเลยเต่านี่มันโผล่หัวอยู่พอดีคนเนี่ยโยนบ่วงเข้าไปเลยควับสวมหัวเต่าพอดีเลยยากไหมยากก็การเกิดขึ้นแห่งพระตถาคตเจ้าเชื่อว่าเป็นเหตุให้ถึงฝั่งก็ยากยิ่ง เหมือนการที่เต่าตาบอดตัวที่บุรุดยืนอยู่ที่ขอปากจั ก, กระวาลด้านที่ใต้โยนใส่เข้าไปแล้วหมุนไปรอบๆ อ, อยู่ถึงแอกอันแรกแล้วโยนขึ้นไปในช่องบนโดยทางสอดคล้องคอเข้าไปในช่องอยู่ค่ายๆก็ไหวคนที่ใต้เนี่ยโยนเข้ามาให้มันทับพอดีเข้าอีกก็ยากก็การแสดงธรรมและวินัยที่พระธถาคตทรงประกาศแล้วเ<ด>ช <you> ื่อว่าเป็นเหตุเกิดที่ยากยิ่งกว่า ยากยิ่งกว่าสามข้ออีกนั่นแหละสองข้อต้นเหมือนการที่เต่าตาบอดตัวที่บุรุษยืนอยู่ที่ขอบปากจักรวาลด้านทิศตะวันตกโยนใส่เข้าไปแล้วหมุนไปรอบๆแล้วถึงแอกสองอันข้างบนแล้วขึ้นสู่ช่องบนโดยทางช่องแล้วสอดคอเข้าไปในช่องอยู่อ่นนะบวงสามอันมาซ้อนกันอยู่ที่เดียวกันเนี่ยยากขนาดไหนอ่นนะที่ธรรมวินัยจะรุ่งเรืองรุ่งเรือ ง, งที่ไหนรุ่งเรืองในใจเรานะยาก เพราะฉะนั้นการเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ยากได้ฟังธรรมก็ยากได้บรรลุ ก, ก็ยากจเจริญรุ่งเรืองในคำสอนก็ยากเอาข้อสุดท้ายเอกบอกว่าก็การแทงตลอดสัจจะสี่พึงทราบว่าเป็นเหตุเกิดที่ยากยิ่งกว่ายากยิ่งเหมือนการที่เต่าตาบอดตัวที่บุรุษยืนอยู่ที่ขอบปากจักรวาลด้านทิศเหนือโยนสายเข้าไปแล้วหมุนไปรอบๆอยู่ถึงแอกสามอันข้างบนแล้ว ขึ้นไปสู่ช่องข้างบนโดยทางช่องแล้วสอดคอเข้าไปสู่ช่องอยู่อันนัะนี่ก็สิ่งเหล่านี้เป็นของที่ที่ยากแต่ว่าถ้าเรามาคิดดูนะว่าสิ่งเหล่านี้ยากโอ้โหมันนานขนาดนั้นนะกว่าจะมาประจวมเนี่ยถ้าเราคิดว่าแค่สองพันร้อกว่าปีเนี่ยไม่ไกลเท่าไหร่นะแล้วเราก็มาเกิดในช่วงถึงแม้ว่าจะห่างสักสองพันรกว่าปีเนี่ยไม่นานเท่าไหร่เลยแล้วก็ยังได้มี มีโอกาสฟังฟังพระธรรมยังมีคำพีที่ถูกต้องให้ศึกษานะครับก็นับว่าก็ทำคำว่ายากทำบุญมามาดีแล้วล่ะปัญหาจะรักษาบุญได้ไหมแค่นั้นไะนั่นแหละก็ของเก่านี่มาดีแล้วล่ะไม่แน่ว่าอีกสักไม่กี่ร้อยปีพระไตรปิฎกอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามเขาแก้ก็ได้นะไม่แน่ก็ไม่แน่ ถ้าเราไม่ช่วยกันถ้าพวกเราศึกษาไม่เข้าใจนะอย่าคิดว่าลูกเราจะเข้าใจแล้วหลานไม่ต้องพูดถึงเลยนั่นแหละ <c oughs> ดูก่อนพี่สูตรทั้งหลายอีกสูตรหนึ่งนะปฐมสิเนรุสูตรเหมือนเปรียบเหมือนบุรุษเก็บก้อนหินประมาณเท่าเมล็ดชั่วเอเมล็ดถั่วเขียวเจ็ดก้อนแห่งเขาสิเนรุราชเขาสิเนรุนะพิเศษเขาเป็นเขาที่สูงขึ้นฟ้าแปดหมื่นี่พันย ยังลงไปในมาหาสมุทรอีก8ปี่พันโยต์คูณส6หกกิโลเมตรทีนี้ไอ้เก็บเมล็ดถั่วเขียวเนี่ยจ็ก้อ น, น่ะนะที่บุรุษเก็บแล้วกับคุณเขาสิเนรุราชอย่างไหนจะมากกว่ากันสองอย่างนี้อะไรมากกว่ากันพี่สุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคุณเขาสซเนรุราชมากกว่าก้อนหินประมาณเท่าเมล็ด ถั่วเขียวเ็ดก้อนที่บุตรเก็บแล้วน้อยกว่าเมื่อเทียบกับขุนเขาซิเรรุราชแล้วก้อนหินประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวเจ็ดก้อนที่บุรุษนั้นเก็บไว้แล้วย่อมไม่ถึงซึ่งการนับการเปรียบเทียบหรือแม้ส่วนเสี้ยวว่มนจะผ่าภูเขาสิเนรุราช์มัน ก, กี่พันล้านครั้งอะนะจะมาเท่าไอเมล็ดถั่วเขียวเนี่ยพระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายทุกของพระอริยะ ทุกของบุคคลผู้เป็นพระอริยาสาวกสมบูรณ์ด้วยทิฏฐิตรัสรู้แล้วนะทุกของพระโสดาบันเนี่ยนะผู้รู้ตามเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธาคาไม่นีปฏิปทาที่สิ้นไปหมดไปแล้วมากกว่าที่ยังเหลือมีประมาณน้อยย่อมไม่ถึงซึ่งการนับการเปรียบเทียบหรือแม้ส่วนเซี่ยวเมื่อเทียบกับกองทุกอัน มีในก่อนที่สิ้นไปหมดแล้วอย่างสูงเพียงเจ็ดชาติฉะนั้นเหมือนกันดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงวันนี้ทุกนี้ทุกขสัมมูทัยนี้ทุกขณิโรดนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา